ก็เลยว่าอริยบุคคลก็มีสี่คือจากความเป็นโสดาสกินาคานาคาพระหันนะอากอย่างแรกสอย่างแรกสี่หลังเจ็ดสี่นะมนุษย์อริยภูมิสี่นะมนุษย์ภูมิสี่อริ ย, รยภูมิสี่นี่คือหลักของเขาทีนี้หลักการก็ไปจากการฝึกฝนเนี่ยถามว่าทําไมต้อง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 โดยคอมมอนเซนที่เป็นวัตถุที่ง่ายที่สุดเ่ยถามว่าทําไมต้องทํำให้สะอาดด้วยเราเพราะรู้ว่าความไม่สะอาดนั้นทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเราต้องทานอาหารไม่สะอาดดูเป็นอย่างไงเราใส่เสื้อผ้าไม่สะอาดเป็นอย่างไรเราใช้ของไม่สะอาดเป็นยงไงเป็นเีตปัจจัยก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้โดยง่ายก่อให้เกิดความทุกข์และความจิตป่วย ราให้เกิดการบัทอนคุณภาพของความเป็นมนุษย์ลงนะแม้แต่หน้าจิตใจก็เหมือนกันก็ต้องการความสานะอาดความสกรปรกทางด้านวัตถุเราเรียกว่าความสกรปรกมลทินเปืือกตมฝุ่นผงนะคราบใครนี่เราเรียกว่าเป็นมลทินทางด้านาจิตใจเรา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 วันหนึ่งชีวิตเราเกี่ยวข้องกับน้ำมากมายในชีวิตในส่วนรูปธรรมชั้นใดในส่วนน้ามธรรมก็นั่เหมือนกันวันหนึ่งจิตใจเราถ้าจะต้องให้จิตใจของเราไม้มีความสะอาดความสะดวกความสบายความปลอดภัยแล้วก็ต้องชำระด้วยน้ำคือสติอีกเช่นเดียวกันทีนี้วิธีการชาระเนี่ยมันไม่เหมือนรูปธรรม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 แหล่งน้ำํำพิศดารด้วยใช่ไหมแต่ถ้าตกไปสู่ที่อื่นแล้วเจนแหล่งน้ําดียนกันแต่ว่าสะอาดไหมไม่สะอาดเพราะฉะนั้นแหล่งน้ําภายนอกคือมาจากท้องฟ้าแหล่งน้ําที่ทางด้านจิตใจก็เช่นเดียวกันมาจากคําว่าจิตวิ ญ, ญญาณภพสาระมีทางจิตตังอาคันตุกเกเสหิอุปกลีถัง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 ใ น, นที่สุดก็ไปพักอยู่ใต้ต้นไม้ไปเจอนกไข่เต่าที่อยู่ใ น, นรังโจรก็เลยรู้ว่าเป็นพระร า, าช า, ามีเครื่องประดับสนิมพิมพ์มพรเต็มเนื้อเต็มตัวก็เลยบอกว่าเออนี่วันวนี้เป็นลาบของนายเราแล้ ว, ลวตอนนี้มีมนุษย์ที่มีทรัพย์สมบัติเต็มตัวมานอนอยู่ที่นี่เราจะไปบอกนายของเราให้มาจับ เพื่อแย่งเอาทรัพย์ของวุลุตคนนี้เสียเมื่อพูดขึ้นอย่างนี้พระราชาชึ่งฟังเสียงนกออกก็เลยขบม้าวิ่งหนีจากที่นั่นจนไปถึงไอศุลพุริศีเมื่อก่อนไปถึงไอศุลพุริษีมีต้นไม้อยู่หน้าไอศุลก็นกไข่เต้าอีกตัวหนึ่งก็เกาะ อ, อยู่ที่นั่นเมื่อเห็นพระราชาเข้าไปพักใต้ต้นไม้ตัวนั้นก็บอกว่าโอ้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 ว่าจบเลยจะได้พักกันเมื <laughs> ่อได้พบ ก, กันยานมิตรแล้วสิ่งที่ตามมาคืออะไรประัยที่สองอการได้ยินได้ฟังการได้ยินได้ฟังนี่เรียกว่าสุตะมยะ ป, ปัญญาและสุตะมย ป, ปัญญานี้จะนำไปสู่กินตามยปปยาตามยะ ป, ปัญญาและกินตามมยะปัญญาก็นาไปสู่ตัวภาวนะามยะปัญญา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 แล้วก็ทำได้ด้วยแต่บางสิ่งบางอย่างเราไปเห็นแล้วเราเรากิดศรัทธาแต่เราทำไม่ได้นะเช่นเราศรัทธาในนักวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ได้สร้างอะไรที่แปลกประหลาดมหาศาลแต่แล้วก็ทำตามไม่ได้ศรัทนธะาแบบนี้ก็ยังไม่ถูกเป็นศรัทธานอกตัวเองแต่ศรัทธาในพุทธศาสานสาในศรัทธานในการกระทาของตัวเองนะเเลือกกรรมวสศัทธาอันที่สอง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 หนึ่งเราเชื่อว่ามีการกระทำนะสองเชื่อว่าผลการกระทำนั้นมีจริงสมผลการกระทํานั้นต้องตกกับตัวผู้ทําเองและสกรรมนั้นสามารถสลายได้ต้องเชื่อหลักอันนี้แต่ถ้าหากว่าเป็นกรรมในศาสนาอื่นเป็นกรรมที่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 มีการชำระระมัดระวังการชำระกายวาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆจากนั้นเองเราก็มีความพร้อมที่จะเจริญสติปัฏฐาน4ี่สติปัฏฐานทั้ง4ี่คือกายเวทานาจิตธรรมที่เราทำอยู่วันนี้มาถึงจุดนี้เรามาถึงขั้นตอนที่สติปัฏฐาน4แล้วนะเพราะฉะนั้นก็เหลืออีกสอขั้นตอนที่เราจะไปสู่วิชาได้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 โพชงเจตและโพชงเจตเราทำได้อย่างถูกต้องแล้วก่อให้เกิดอริยมรรคมีองค์8เมื่ อ, อริยมรรคมีองแ์8อย่างถูกต้องแล้วทำให้เกิดวิชาที่มาเอา น, นับนับดูนะ 1. กรรณาณมิตรสศรัทธาสาม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 ก็ต้องทวบทวนมาตั้งแต่กระะนะิริยานามิตจนมาถึงสติปัฐาน4แล้วก็พชธชง7จดนะดังนั้นเองในตัววิชาที่ว่านี้จะนำไปสู่ตัวอันสุดท้ายคือตัววิมุตตนะตัววิมุตตหลุดพ้นแต่ว่าเราทั้งหลายนี่ให้จำเป็นแนวไว้ก่อนนันนีคือเส้นทางที่เราจะเดินถ้าหากว่าวิชาของเราไม่สมบูรณ์ค่อยๆทวนขึ้นไปว่าเราขาดตัวไหนเออยู่นสมติารเราเพียงพอหรือเปล่า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 พุทธเจากเอาไเ ป, ป็นหลานของท่านใชเหรอได้ข่าวว่าได้สอนธรานทกันเรื่อยเอยเนี่ยใช่ส่นแล้วท่านสอนเขา ว, ว่าอย่างไรเพราะว่าเจ้าที่คานาขาดนี่ก็เป็นเจ้าลัทธิคนหนึ่งเหมือนกันมีความเชื่อเป็นหมอผีหมอพรามณ์คนหนึ่งเ <l ix> ขาบอกว่าข้าพเจ้าบอกว่าสิ่งไหนมันถูกต้องสิ่งนั้นก็ถูกใจสิ่งไหนไม่ถูกใจสิ่งนั้นไม่ถูกต้อง <l ix> ข้าพเจ้าสอนอย่างนี้โดยสรุปว่นะ <l ix> <S <S เห็นด้วยไหมสิ่งไหนถูกต้องถูกต้องสิ่งนั้นต้องถูกใจสิ่งไหนไม่ถูกใจสิ่งนั้นไม่ถูกต้อง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 เมื่อสุขเวทนาก็เปลี่ยนเป็นอะไรสุขเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพราะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกขกเวทนาจากความรู้สึกเบาสบายมาเป็นความหนักขึ้นเรื่อยเใช่ไหมเป็นทุกขเวทนาเมื่อทุกขเวทนาถ้าหากว่าเราไม่ได้ฝึกฝนไตรสิขาแล้วก็บำบัดทุกขเวทนาด้วยอํานาจของอะไรอะวิชานี่ตรงนั้นเองแต่พอเราเจาเริญสติ